และครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ปกครองโดยเจ้าชายนามว่าเอลอและเขาไม่ใช่เจ้าชายธรรมดาไม่เลยเขาเป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบเกินกว่าจินตนาการได้ทั้งไหวพริบความฉลาดและอารมณ์ขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหล่อเหลาของเขาใช่เลยทั้งหมดนั่นแหละแต่อย่างที่พวกเรารู้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างดังนั้นเจ้าชายของเราจึงมีความลับบางอยา่าง โอ้ใบหน้าที่หลอเลลาของข้าข้าคิดถึงเจ้าสุดๆุดเลยอ้อไม่นะจุดดังดำเหรอไม่สิแค่รอยในกระจก <laughs> ใช่แล้วจุดอ่อนที่สุดของเจ้าชายคือใบหน้าของเขาเองเขาให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาเหนือกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นใครก็ตามที่ไม่มีความงดงามถือว่าเป็นคนหน้ารังเกียจสาหรับเขาห้องนี้ช่างงดงามจริงๆเลย บางทีอาจเป็นเพราะมีเงาสะท้อนของข้าเต็มไปหมดโ อ, โ, อโอ้นั่นนั่นใครอะใครกันนะสวัสดีเพคะฝ่าบาทข้าจะมาบอกท่านว่าป้าของท่านไอลาจะมาถึงงานเต้นราของท่านพรุ่งนี้โอ้จริงสิงานเต้นรำเฉลิมฉลองของข้าป้าไอลางั้นเหรอน่าจะมาทำไมกันเนี่ยโธ่เอ้ยเอ่อ ฝ่าบาทเพคะมีอะไรหรือเปล่าเพคะโ อ, อ้เปล่าปลาไปเตรียมต้อนรับนางได้เลยได้เพคะฝ่าบาทโอ้เออชุดของท่านพร้อมแล้วนะเพคะขอบคุณมาก <c oughs> อย่างน้อยข้าก็ดูดีพรุ่งนี้ป้าไอลาช้าเป็นหญิงที่ร้ายกาจพรุ่งนี้นางจะได้เห็นว่าข้าเป็นเจ้าชายที่ดีเพียงใดในคืนวันต่อมา ทัทั้งราชวงศ์ในดินแดนต่างมายังงานเต้นรําของเจ้าชายและเต้นรํากันอย่างสนุกสนานภายในห้องของเขาเจ้าชายกําลังเตรียมตัวเขาสวมสูตรของเขาและนั่นยิ่งทําให้เขาดูหล่อเหลาขึ้นเป็นอันมากโอ้ข้าท่านรูปงามจริงๆสูตรนี้ช่วยทําให้ใบหน้าข้าดูดีขึ้นไปอีกเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชายของเราหรือเปล่านะบางทีเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายเขาหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไร แต่เจ้าชายก็ยังห่างไกลจากคำว่าไม่สบายนักเขายังคงยืนอยู่ในห้องและชื่นชมเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเราน่าจะไปดูเขาสักหน่อยนะฮึมหลานชายของข้าอยู่ที่ไหนกันข้ายังไม่เห็นความสูงสง่าของเขาเลยสักนิดโอ้ท่านไอลาเรากำลังจะไปดูเจ้าชายในห้องของเขาอยู่พอดีโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวข้านะ่ไปดูเอง ข้าอยากเห็นหลานรักของข้าอีกจังเลยนะจ่จริงๆแล้วป้าไอลาไม่ใช่คนร้ายกาศอะไรแต่เธอรู้นิสัยทุกอย่างของเอรอและไม่ชอบนิสัยหญิงทนงของเขาและที่ฉันอยากจะบอกอีกอย่างเธอยังเป็นแม่มดด้วยอ้อผมของข้าท่งนุ่มสลวยกว่าทุกคนเลยเอรอนอเอ้าแต่ดูกระจกอยู่นั่นแหละ ป้าไอลาป้ามาํมาทำอะไรตรงนี้อเจ้านะ่ะไม่ลงมาพบพวกเราเลยสักนิดมันไม่สุภาพเอาซะเลยแล้ววันนี้นะ่ะมันงานวันเกิดของเจ้านะโ อ, อ้ข้าข้ารู้ค่ะข้าแค่กำลังยุ่งอยู่แค่นั้นเองเธอจ้องไปที่กระจกที่เขาถืออยู่กระจกสวยดีนี่งั้นก็ดี รู้แล้วและว่าจะมอบอะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้หลานดีในเมื่อหลานชอบกระจกและความงามมากก็เออนี่ไงเธอยิงลําแสงใส่เอรอนและเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาพบว่าตัวเองติดอยู่ในกระจกะนี่นี่อะไรกันเนี่ยข้าอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ไม่ปล่อยข้าออกไปไม่ข้าจะไม่ปล่อยจนกว่าเจ้าจะหยุดนิสัยหลงไหลตัวเอง อ, งอย่างมากของเจ้าได้สักที นี่นี่มันบ้ามากข้าจะเรียกทหารมาจับป้าโอ้ก็เอาสิตอนนี้หลานจะพูดว่าหลานเป็นเจ้าชายหรือว่าโดนคำสาปอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่แม้แต่ชื่อของข้าหลานนะ่ะเป็นแค่ชายในกระจกก็เท่านั้นเพื่ออะไรการป้าก็เพื่อฮอา ณจักแห่งนี้จะได้ไม่คิดถึงเจ้าชายที่รูปงามยังไงล่ะป้าจะต้องชดใช้กับเรื่องนี้ปะปะปปปะปเจ้าหัวเราะข้าหัวเราะพวกเราหัวเราะยังไงล่ะ <laughs> ายบ่ายนะจ๊ะหลานชายสุดที่รัก <laughs> และดังนั้นเอรอ่ที่น่าสงสารจึงถูกนาออกจากวังของเขาไป และได้มาอยู่ที่บ้านของครอบครัวที่ยากจนและมีผู้หญิงคนหนึ่งหยิบขึ้นมาโอ้ใครเอากระจกมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยสวยจริงๆเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดก็มีคนมาช่วยแล้วออสวัสดีสวัสดีได้ยินข้าไหมผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ยินเลยเธอเห็นแค่เงาของตัวเองเธอไม่เห็นเจ้าชายที่น่าสงสารที่ติดและกำลังร้องไห้ ผู้หญิงคนนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคนและเขาทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแม่ครับวันนี้ผมได้เงินมานิดหน่อยแม่จะไปตลาดและซื้อข้าวมากินตอนไหนเหรอครับแม่เอ้ยอีกสักหน่อยเธอลูกรักแหมแม่น่งดงามจริงๆเลยพวกนกคงร้องเพลงให้แม่แน่นอนหญิงโง่เอ้ยลูกชายเจ้าหิวจะตายอยู่แล้วเจ้ายังไม่สนใจเขาอีกเหรอแต่เธอก็ไม่ได้ยินเขา เจ้าชายเห็นเด็กชายตัวน้อยที่น่าสงสารเดินออกจากบ้านพร้อมตะกร้าซื้อของสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นเวลากว่าหลายวันจนกระทั่งเด็กชายตัวน้อยเริ่มรำคาญแม่นี่ชอบเจ้านี่มากเกินไปแล้วนะข้าควรจะกำจัดเจ้าทิ้งซะไม่อย่างนั้นแม่ไม่ต้องทำงานทำการแนะ่เขาหยิบกระจกขึ้นมาตอนที่แม่ไม่อยู่และคว้างมันออกนอกหน้าต่างไปตรงนั้นมีโจรที่ร้ายกาจอยู่พอดีเขาเห็นกระจกและหยิบมันขึ้นมา โอ้อะไรอีกล้ะเนี่ยโทษ่าฮ่างเป็นกระจกที่งดงามและเหมาะกับข้าจริงๆจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโจอรอย่างนั้นเหรอทำไมทาไมข้ามาอยู่ในมือเจ้าหญิงที่งดงามกันนะโจรนำกระจกไปในทุกที่ที่เขาไปดังนั้นเอราจึจะเห็นทุกการกระทำผิดๆของเขาตลอดทั้งวันฮฮ <c oughs> ใครคือโจรผู้หญิงใหญ่ที่สุดก็ข้าไงล่ะจะใครที่ไหน <c oughs> ไม่เจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกนะเจ้ามันก็แค่โจรกระจกเนอะแต่วันหนึ่งขณะที่โจรกาลังวิง่งเขาไม่ได้สังเกตเลยว่ากระจกได้หล่นลงและมีเด็กชายตัวน้อยเข้ามาหยิบมันขึ้นมาโอ้ช่างเป็นกระจกที่งดงามดูเหมือนมันจะสกระปรกนิดหน่อยเอาไปทำข้อสาที่บ้านดีกว่า ดังนั้นเด็กชายตัวน้อยจึงกลับไปที่บ้านและทำความสะอาดกระจกโอ้ข้าเห็นตัวเองแล้วเฮ้เดี๋ยวสินั่นไม่ใช่ตัวข้านี่โอ้เจ้าหนูเฮ้ได้ยินข้าไหมอะใครกันล่ะเนี่ยนี่มันอะไรกันน่ะโอ้เจ้าได้ยินข้าใช่ไหมแต่ว่าได้ยังไงกันออท่านเป็นใครท่านเป็นกระจกวิเศษงั้นเหรอไม่ ข้าเป็นเจ้าเช ใ, ใช่ข้าคือกระจกวิเศษว้าวงั้นข้าขอกินไอติมหน่อยได้หรือเปล่าเออไม่อะงั้นข อ, เ, อ, อเสื้อผ้าใหม่ก็ได้เออไม่ถ้างั้นพลังของท่านคืออะไรกันเหรอข้าพูดได้ไงเจ๋งไหมเด็กชายไม่ค่อยประทับใจกับสิ่งนี้ แต่เขาก็ยังคงยิ้มอย่างสุภาพให้กระจกเจ้ายิ้มโดยที่มีรอยเปื้อนเต็มไปหมดบนหน้าของเจ้าได้ยังไงกันเนี่ยโอ้นี่เหรอค่าได้มันมาจากการช่วยพ่อเท่ากว่าหลังคาบ้านนะ่ะมันสกปรปกจริงๆเลยแต่ว่าข้ามีความสุขนะเพราะข้าได้ช่วยเหลือคนอื่นเอโรอประทับใจในคำตอบถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าชายที่ใจดีแต่เขายังคงให้ความสาคัญกับรูปร่างหน้าตามากกว่าสิ่งอื่น ตอนนี้ท่านเป็นเพื่อนกับข้าแล้วถ้างั้นข้าจะพาท่านไปทุกที่กับข้าอ๋อโชคดีจริงๆเลยค่าเนี่ยในช่วงเวลาหลายวันเจ้าชายสังเกตว่าเด็กชายมีจิตใจที่ดีและอ่อนหวานคุณยายครับคุณยายนี่ครับขนมปังครับกินให้อร่อยนะครับอ๋ขอบใจมากนะเจ้าหนูเจ้าทำแบบนั้นทำไมกัน เจ้ายังเกือบมีไม่พอสำหรับตัวเองด้วยซ้ำทำไมต้องเอาให้หญิงแปลกๆคนนั้นด้วยข้าหมายถึงเออนางก็ดูจะทำงานได้เองอ่ะอย่าเรียกนางว่าแปลกได้ไหมหัวใจของนางงดงามนั่นน่ะมันก็เพียงพอนางใช้เงินของตัวเองซื้ออาหารแจกจ่ายแก่คนจนในเมืองนี้และจนในที่สุดนางก็ไม่เหลืออะไรเลยนะสิเจ้าชายเงียบกับเรื่องที่ได้ยิน เขามองผู้คนจากภายนอกมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นข้างในที่งดงามของผู้คนแล้วเพราะเขาใช้เวลาอยู่กับเด็กชายตัวน้อยและในคืนนั้นขณะที่เด็กชายหลับสนิทเจ้าชายเอโร่รู้สึกแย่มากกับสิ่งที่เขาเป็นข้าในมันน่าะอายจริงๆข้าตัดสินผู้คนจากความงามภายนอกและรังเกียจผู้คนที่ค่คิดว่าไม่งดงามทุกๆคนก็ต่างงดงามได้ ไม่ว่าเขาจะมีรูปร่างภายนอกยังไงและแล้วเจ้าชายก็หลุดออกมาจากกระจกเขาได้สํานึกในความผิดและตอนนี้มันได้ปล่อยเขาออกมาจากคำสาบแล้วข้าเป็นอิสระแล้วขค่กลับบ้านได้แล้วสินะเขายิ้มเมื่อเห็นเด็กชายตัวน้อยกำลังหลับเขาออกมาและในไม่ช้าก็ถึงพระราชวังของเขาโอ้ฝ่าบาทเพคะเอ่อแต่แต่ข้าเห็นท่านเข้านอนไปแล้วนี่อะไรนะ อไม่ไม่หรอกคือข้าอยากจะเออออกมาเดินเล่นสักหน่อยแม้แต่ลิปสติกก็ยังดูดีเมื่ออยู่บนใบหน้าของชายคนนี้ป้าไอลาข้ากลับมาแล้วโอ้โออกโทษถังเออเร็วจังเลยนะข้าคิดว่าจะได้สนุกกับการปกครองอาณาจักรไปอีกสักหน่อยนะ่ะโอ้ไม่ได้หรอกป้าข้าได้เรียนรู้แล้วก็ขอบคุณป้ามากแต่ตอนเนี้ย ช่วยกลับร่างป้าก่อนได้ไหมข้าไม่อยากเห็นตัวเองมีลิปสติกแบบนั้นเล ย, ย, ยแปลกใจจังเลยนะที่ได้ยินเจ้าพูดแบบนั้นนางเปลี่ยนร่างกลับเป็นตัวเองและเจ้าชายก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกจะมีบางอย่างที่ข้า ย, ยังไม่เข้าใจทำไมเจ้าหนูนั่นถึงได้ยินข้าละ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสองคนแรกนะ่ะสนใจแต่ตัวเองยังไงละ่ะแต่ว่ากับเจ้าหนูนั่นแล้ว ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสนใจและใส่ใจผู้อื่นเขาถึงได้ยินเจ้างั้นไปก่อนนะโชคดีป้าไอลาใช่เออนั่นก็ดูสมเหตุสมผลดีนะแต่เดี๋ยวก่อนป้ารู้ได้ยังไงกันเนี่ยในไม่ช้าเจ้าชายก็ปกครองอาณาจักรของเขาไปในทางที่ดีเขาตอบแทนเด็กชายตัวน้อยอย่างงามคนที่แปลกใจเป็นอย่างมากเจ้าชายแก้ไขนิสัยของเขาแล้วเมื่อเขาส่งกระจก เขายิ้มออกมาจากก้นเบื้องในหัวใจของเขาเท่านั้น